การปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ความจริงการเรียนตรงนั้ น, ร น, นเราเรียนแผนที่แต่เราไม่ทําตามแผนที่ตัวนี้แผนที่ภายนอกกับแผนที่ภายในนี่ผิดกันคนละโลกแผนที่ภายนอกนั้นเช่นหนังแกนบ้านแกนเมือนอะไรเป็นต้นทำตามนั้น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 ร่มเย็นมีความผาสุกภายในตนเพราะความสงบซึ่งเป็นการรวมกําลังนั้นนี่เรียกว่าไม่เข้าในแปนเลยถ้าจะเข้าก็เข้าในแปนที่ว่าให้พยายามทำกิจให้สงบด้วยอารมณ์แห่งธรรมแต่เราไม่ยอมที่จะปฏิบัติเพียงแค่นี้ เรายังมีความลุกติดย่อยลิงมากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามาพวนใจจึงหาความสงบไม่ได้เนี่ยมีคือว่ามันขัดกันกับแปลนเราได้แปลนอะไรมากีก่แปลนท่านกล่าวทํามาไวมา้มากมาแพียงไรก็เอาก้านเขามายุ่งเราหมดเหมือนอย่างว่าเราจะปลูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปลน ตึกรามบ้านช่องทั้งร้อยร้อยชันมากลางดูงนั่นมันก็เข้ากันไม่ได้แกลนตึกกับแกลนกระตับตึงติดกันแตวนี่เราจะรวมกิทั้งเราให้เข้าจุดเดียวเหมือนกับกระต๊บน่ะพอมีกําลังแล้วขยายต่อไปก็เป็นตึกรามบ้านช่องได้เมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาแล้วกว้างแคบไม่มีกําหนดปฎเกณฑ์มันไปได้หมดทั่วแดนโลกธานนี้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 หลักฐานก็นมาอีกทีเพื่อความสนิทใจแน่ใจนี่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าถ้าไม่สงสัยจะเอาอันนั้นมาเทียบทำไมมาเทียบนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งแตพ่ออย่างยิ่งการปฏิบัติที่ว่าสัตย์จะทำก็ดีสติปัฏฐานสี่ก็ดีท่านพูดเยียวโยงกันไป แล้วเราจะปฏิบัติแบบนั้นเช่นพิจารนากายแล้วพิจารนาเวทนาและพิจารณาจิตพิจารณธรรมนี้ผิดวันยั่งคัมนี่เพราะธรรมชาตินี้มีความเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดเวลาเราจะพิจารณาในแง่ใดก็พิจารณาส่วนมากก็พิจารนากายเนือทีเ่เวลาเวทนาเกิดขึ้นมันก็ต้องต่อยเรื่องกายไปจับเวทนาแล้วเข้ามาผสมปสหรือค้าเข้ากันกับกายแยก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 กล่าวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วลงสติปัฏฐานสี่เราจะไปแยกแยะไปทําทีละบทละบาททัาททำทีละเรื่องละลายแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาไปไม่ได้ไม่ถู ก, ถกนี่หลอภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านบอกพิจารณากายกายเกายาลัซีวิหารติอย่นี้เป็นต้นพิจารณากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอัน เป็นต้นเหตุก่อนพอพิจารณากายส่วนนี้พอเข้าใจแล้วมันก็มีความสูญชาันไปเองเป็นเหตุให้สนใจที่จะทราบส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็ข้อกระจายกันตกระจายกันไปก็หมดภายในร่างกายราบไปหมดเข้าใจไปหมดกายในกายเช่นท่านบอกเจสาเจส า, าอย่างนี้นะกโกลมานจะพิจารณาผมเส้นหนึ่งก็ตามแต่จะเกี่ยวไปกี่เส้นของผมแล้วเกี่ยวไปว่ากี่ส่วนกี่อันมัน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 เกี่ยวข้องกับจิตดวงเดียวพอพิจารณาเวทนากับจิตมันก็วิ่งเข้าหากันอีกแยกกันกายญาติเวทนาจิตานุธรรมานุปัฏนานะไมเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เวทนานอกระหมายถึงกายเวทนาที่เกิดความสุขความทุกข์เฉยๆอยู่ภายในตัวเองเวทนานในหมายถึงทุกขเวทนาภายในใจสุขเวทนาภายในใจ และอทุกขมาสุขเวทนาภายในใจไม่สุขไม่ทุกข์ันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอยู่ภายในจิตใจและเวทนาทั้งสามนี้เมื่อพิ จ, พจารณาด้านแห่งความสงบมันก็มีเวทนาอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันปกติมันก็มีส่วนมากมันมีคุกเวทนาภายในใจ ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเช่นไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเวทนาทั้งสามอย่นั้นก็มีแต่นี้เป็นเวทนาโลกโลกไม่ได้เป็นเวทนาที่เกี่ยวกับธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมะเข้าไปจิตใจเรามีความสงบเย็นใจมีเป็นสุขเวทนาจิตไม่รวมได้ตามต้องการเกิดทุกเวทนาขึ้นมาบางทีมือยลอยอยู่บ้างอะไรบ้างเฮ้เฉยๆจะว่าสุขกภทุกข์ก็ไม่ใช่คำว่าเมือยลอยอะไรอย่างนี้อยู่ภายในจิต ของผู้ปฏิบัตินะไม่ได้หมาถึง ม, มือลอยแบบคนไม่รูรื่องรู้รามอะไรเลยมันเป็นภารกิจเองอันนี้ก็เป็นอาทุกขมสุขเวทนาอีกเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ทราบตอนที่มันเป็นอยู่เด่นๆนี่ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีปัญญาต่อเมื่อจิตมีความละเอียดเข้าไปอะไรอาการใดปรากฏขึ้นมามันก็ทราบพอทราบเป็นลาดับตามกําลังของปัญญาของสติของ ต, ขนตนเองสิ่งเหล่านี้แหละ เป็นเจ้านายเหนือหัวของจิตอ้าวพูดมันเต็มเม็ดเป็มหน่วงเสียจิตนี้เป็นภาชนะสําหรับรับรองหรือเป็นม้านั่ ง, งเขานั่นเองเพรามานั่งตรงนั้นแหละหรือเป็นส้วมก็ได้ถ่ายรถลงนั้นมนลแหละมีอะไรก็ดีเดี๋ยวทุกโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวอาตุกะมาสุกะเมตนาโดดขึ้นมาถ่ายถ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ยอมน้เขาถ่ายอยู่แล้ว พาอใหนมีสติปัญญาที่จะสลัดปัดทิ้งในสิ่งนั้นไม่ให้มาถาเพาฉนั้นจึงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสำคัญตามติดไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกประสมไหนที่นายสติตามแนยไปเลยปัญญาก็ไกรกรองไปสติตามไปมันก็ไม่เป็นสัญญาถ้าสติญญมีอยู่ไม่เป็นสัญญาพเพราะเพลอสติญญเป็นสัญญาไปตาม กำลังของหยิบที่เพิ่งเพิ่งหัดค้นคว้าใหม่ๆแต่เมื่อมีความเฉลี่ยชำนานทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาและไปด้วยกันเลยจึงพูดได้ว่าเวลาไหนนะเวลาที่จุดเถือ่อน่ะคือมันไม่มีเวลาเถือ่อท่านจึงเรียกมหาสติมหาปัญญาเถื่อที่ตรงไหนท่านอยู่ที่นี่น่ะคือความรู้ได้จากสติกับปัญญามันมีอยู่ด้วยกันภายในจิตดวงเดียวนี้แล้วเป็นอันเดียวกันแล้ว มันจะเผอไปที่ไหนน่นเมื่อมันต่อเนื่องกันแล้วพูดได้อย่างนั้นทั้งๆที่มันล่มมูกคู่ครานมาแต่ก่อนเท่าไหร่เราไม่สร้างมันนับอ่านไม่ได้แต่พอถึงขั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความจิตก็เพิ่มพับก็ทันกันทันทีทันทีคิดเรื่องอะไรทันกันโดยลํำดับลาดับยิ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันยิ่งรวดเร็วะแต่คิดธรรมดามันก็ยังรู้อ่าสาธิบัติ ให้ปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองนั่นแหละมันชัดเจนดีถูกหรือผิดขอให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้ทราบภายในตนเองนั้นยิงว่าเป็นที่แน่ใจเมื่อเราได้ปฏิบัติเมื่อเราได้รู้แล้วอาถานที่จะพูดออกมาอาถานอยู่ภายในจิตไม่จะต้ค้านว่าจะพูดผิดหรืออะไรอะไรก็ตามไม่จะโตกค้านเพราะเป็นความแน่แน่ภา ย, นายในจิตใจ การที่จะเบิกสิ่งที่ปกบคุมหุ่งหวอดกิจนี้จึงต้องยากถ้าคนที่มีความหม่อนแอยิ่งยากใหญ่ไม่มีทางที่จะไปได้นี่หาเรื่องจา่ตัวเองแต่สําคัญที่ความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นทางบุกเบิกได้อย่างดีความมุ่งมั่นจะรู้จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าวิเศษวิโสอะไรทั้งนอง น, นี่มีความมุ่งมั่นต่ออาตมาต่อธรรมประเภทนั้นๆแล้ว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 นอกจากว่าจิตมันไปนเพราะอะไรๆมาจากภายนอกแล้วก็มากลุ้มกลุ้มภายใจิตใจนี้อีกจิตก็จะต้องมาค้นคว้ามาพิพจารณาแก้ไขกันอยู่ภายในนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หุ่มห่อจิตใจใจเองเป็นผู้ขนองประเจยวกว้านเอามามาก็มาเผาตัวเองเพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจึงต้องได้สั่งสมสติสั่งสมปัญญาขึ้นให้มา อันทีสอนเสมอเรื่องสติเรื่องปัญญานิสมะกันนังเสอยู่นี่ก็คือปัญญาค่ายควรแล้วก่อนจะทําอะไรพอดี้ส่วนที่จิดของเราจะคิดเรื่องอะไรมันไม่ได้ใค่ควรแม้จะไม่ได้ค่ควรในขณะที่มันคิดขึ้นมาก็ตามใคร่ควรในขณะที่มันไปสัมผัสกับเรื่องอะไรเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความดัอดร้อนแล้วนั่นก็นยังดีค่ายควรให้ดีพิจารณาให้ชัดจนกระทั่งถึงหายสงสัยกับสิ่ง น, นั้นนั้นได้นี่ เราอยาา่าคาดอย่หมายการปฏิบัติธรรมถวาวันอยู่ที่ไหนจะไปคาดธรรมโลกอยู่ที่ไหนจะไปคาดเป็นการเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์นิพพานอยู่ที่ไหนจะไปคาด ท, ทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยที่ไหนนิโรธอยู่ที่ไหนมากที่ไหนอยาา่าไปคาดให้นอกเหนือไปจากการกระปิตซึ่งสัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์นกันอยู่ตลอดเวลานี้เอาเอางค์นี้เพื่อให้เห็นความจรงิงภายนอกก็จะรู้ภายในก็จะรู้เมื่อภายในรู้แล้ว ยิ่งจะเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่ผู้ที่มีอยู่ทั้งหลายตามความวิสัยและความสามารถของเราโดยที่เราไม่คานในหมายมันจะรู้ไปเองเมื่อมันรู้ภายในแล้วสำคัญที่ภายในไม่ยังไม่รู้ตัวเองอยากจะรู้แต่สิ่งภายนอกนี่ก็ควรยุ้งทำความยู้งเหยงให้ตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไระถ้าเราจะสงเคราะห์เข้ามากันนรโกคืออะไรเอานี่ก่อนอถ้าอยากจะรู้นาโกก็รู้สิ ควทุกข์ที่เกิดมันก่อปวยขึ้นมาขึ้นมาให้เป็นผลเป็นทุกข์โดยลําดับลําดับอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจนี้อยู่ที่ไหนนีเราต่อให้นรกไฟนรกเผาอยู่ทั้งวันนันกเกินยังไม่ทราบในโลกแลจะจะทหารนารกสีไหนอีกนี่ให้เราย่นเข้ามานี้เพื่อรู้ความจริงคือสัจธรรมซึ่งอยู่ภายในนี้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วนโลกไหนก็มันจะเข้าใจของมันเองแหละไม่ต้องมีใครมาบอก สวรรค์นั้นก็คือความรื่นเริงบันเทิงในอาดในธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจคอสมสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของกิจนี้จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของจิจที่บอกอยู่ภายใตูเสร็จแล้วผู้นี้สมเหมาะสมกับภูมินั้นภูมินั้นภูมินั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะฉนั้นเองต้องปรับปรุงพวกนี้ให้ดีให้ถูกต้อง ไม่ให้คิดนอกเนือไปจังวันหนึ่งขึ้นหนึ่งให้ค้นคว้าภายในจิตใจของตนเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหลักสําคัญก็มีกายนี้แหละสําคัญมากขันห้านี่มันสัมผัสตันตลอดเวลาเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันไหนสิ่งภายนอกก็ยังพอทำเนาเป็นรูปเสียงเป็นรลดเครื่องสัมผัสต่างๆมันอยู่ภายนอกส่วนเรศรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเอง เกิดเรื่องนี้อย่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครที่จะสามารถแก้คดีนี้ได้ตัดสินคดีนี้ได้ถ้าไม่มีปัญญาจะไม่ไถ่พอจะลงเอ่ยได้ว่าตัดสินกันได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องราวมันเกิดอยู่ตลอดเวลาลูกปรุงลูกมีความไม่สะดวกสบายตรงไหนก็ไปปรุงไปยุ่งกันนั่นเจ็บนั่นปวดนี้กลัวล้มกลัวตายขู่ว่าแทะกลัวตายแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นความตาย มัพิจารณาให้ถึงฐานในความตายมันก็กลัวอยู่วันยังค่ำถ้าพิจารณาให้ถึงฐานของความตายแล้วมันจะกลัวอะไรมีอะไรตายในโลกนี้เนี่ยความแปลก็ทราบอยู่แล้วพระธรรมท่านก็สอนเราแล้วอ่ะอันนี้จังมันแปลสภาพไปหดเวลาทุกขังมันทุกที่ไหนทำไมทุกอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าตาก็ประกาศอยู่แล้วเป็นสาระแก่งฐานที่ไหนก็บอกอยู่ทุกบททุกบาทของธรรมแต่เรามันปีนเกลียวของธรรมอยากนั้นเป็นตนอย่างอันนี้เป็นตน ความที่อยากนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสอันนั้นมันเป็นตนก็นเป็นกิเลสต่ว่าไงถ้ายิ่งมันเป็นตนขึ้นมาอย่างที่ว่ามันจะยิ่งจะไม่กองเท่าภูเขาเลยเพี้ยแต่และอย่างละอย่างรวมมันเข้าแล้วกี่ภูเขาก็เป็นโลกเห็นต้องพิจารณาให้ชัดเหตนาเนี่ยกับพวกนี้พวกคือเป็นข้าคืตอตอนเราก็มีอะไรก็มีทุกขเวทนาเป็นพิรุธภนในจิตบ้างโดยลำพัง ไม่ต้องกายปกติอุปตางมันก็เป็นขึ้นมาขึ้นได้เพราะอารมณ์พาให้เป็นคิดในทางที่จะเฉียดแทงจิตใจก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาคิดไปทางถอดทางถอนก็เป็นสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาอืเวลามันจะพักมันก็วางเฉยตัวมันเองเป็นอุปเบกขาเวทนาแง่มันเห็นชัดๆอย่างนี้การพิจารณาไม่จะคาดหมายมดูอยู่ภายในตัวของเรา สัญญานี่สําคัญอยู่มากโดยปกติสัญญาเป็นผู้สําคัญอยู่มากถ้าทุกเกิดขึ้นทุกก็สําคัญแต่ทุกไม่เกิดอยู่ทุกเวลาส่วนสัญญาเนี่ยมันหมายอยู่เรื่อยๆอันนี้ผู้สําคัญมากละเอียดมากการนี้บรรจงด้วยมันน่าหลงต้อได้หลงสองขานุ่นพูดยื่นให้สัญญาก็เอาไปคลี่คลายไปไปใหญ่ละการที่สองกัวิญญาณเป็นผู้รับชาติเข้ามา พนี้ก็มมาพี่คายเจ้าสัญญาและทำงานใด่โตเที่ยมวุ่นไปหมดภายในร่างกายอย่านี้แหละเป็นเครื่องติดใจใจเมื่อมีสิ่งทับถมมีสิ่งจิดบงังมีสิ่งบังคับอยู่จะออกเป็นความรู้ความเห็น อุบายแยกพายมันก็ออกไม่ได้เพราะถูกสิ่งอันนี้บีบบังคับจึงต้องได้บงังคับกิตทีหนึ่งให้พิจารณาถอนตัวออกมาพิจารณาแล้วความสาคัญมันหมายต่างๆนี้ ค, ค่อยๆติดเบิกหรือถอนออกไปถอนออกไปโดยลำดับ <c oughs> ถ้สติปัญญาจะมีทางคิดถึงขั้นสติปัญญาจะทนไม่ได้ถึงขั้นสติ ป, ญญสปัญญาจะออกพินิ้พิจารณาแล้วปิดไม่อยู่มันจะค้นคว้าไปหมดทุกแง่ทุกมุม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 เราต้องทราบว่าทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตนี้ต้องมีสาเหตุหากไมีสาเหตุจะปรากฏขึ้นมาอย่างลอยๆนี้เป็นไปไม่ได้หากเราไม่ทราบสาเหตุก็ตามว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เพราะอะไรเราก็จับเอาตัวผลคือทุกเวทนานี้เป็นอารมณ์ของใจคือให้รู้อยู่กับทุกเวทนาอา้าวมันจะตั้งอยู่นานเท่าไหร่เราจะดูทุกเวทนาตัวนี้จะเที่ยงแน่นหนามมันคงจริงเหรอจิตของเราก็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 จะเป็นสุบก็าตามทุกข์ก็ตามเฉยเฉยก็ต า, ามให้ทราบว่าเป็นเวทนาด้วยกันเป็นสภาพึ่งต่างหากจากจิตจึงเป็นของที่แปลเปลี่ยนแปลงไปได้อันนั้นเข้ามาแทนที่อันนี้สลายตัวไปอันนั้นเข้ามาแทนเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรมรมดาของของเวทนาเพราะมันมีเชื่อประจากษ์จิตมันจึงแสดงเวทนาทั้งสนี้ขึ้นมาได้ถ้าว่าจิตหมดเชื่อโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาใดๆก็ตามจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เลยนอกจากปรมาสุขขังเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่กับ มีอยู่กับใจที่บริสุทธิ์เราะนั้นนนั้นอันนั้นไม่ใช่เวทนาสำหรับนิพพานังปรามังสุขขังนั่นไม่ใช่ทุกเวทนาจึงไม่มีการดับมีการการกำหนดพิจาารณเวทนาให้กำหนดอย่างนั้นเอาเวทนานั้นเนี่ยเป็นสนามรบกำหนดดูเอาดูในวารานี่ยังไม่หายดูอีกดูจนกระทั่งมันทราบความจริงจะหายหรือไม่หายไม่สําคัญ สำคัญที่เราทราบความจริงของเวทนาตัวนี้ตัวที่ปรากฏในเวลานี้งานอืส่วนมากของหมายถึงทุกเวทนาที่มันเป็นเครื่องสะดุดเรามากสะเทือนจิตใจเรามากสุขเวทนาก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยลําดับกำลันเพราะสุขเวทนาเป็นเป็นสเสบียงอันหนึ่งในการเดินทางเมื่อกำคำคาจัดทุกเวทนาได้แล้วสุขเวทนาก็ต้องมาแทนที่เรียกว่ามัดเป็นช่วยห ร, หรือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจาก การพิจารณาทุกเวทนาจนดับไปแล้วเป็นความสุงขึ้นมามีเป็นผลอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ถูกส่วนที่เราจะกําจัดทุกขเวทนาหรือไม่กำจัดนั้นอันนี้เท่าที่พิจารณามาก็ไม่เห็นได้คําจัดเมื่อถึงสำคัญที่ทุกขเวทนาเนี่ยสาคัญมากภานในจิตมันเกิดจากเชือเ้อจิเลตเมื่อแก้เชื่อนี้แล้วไปเบาบางประดมดับดับทุกขเวทนาก็ ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่องทุกเวทนาก็ค่อยดับไปดับไปดับไปเมื่อเชื้อมันหมดสุขเวทนาแบบนี้ก็หมดนี่มันหมดไปเองมันอยู่กับเชื้อนั่นต่างหากนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสุขเวทนาอันสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตจากการปฏิบัติหรือการจากฐานของจิตจากความสงบของจิตจากความเบาสบายขงจิตนี้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 เราจะไปเสียดายกับการทำงานที่เราเคยพิจนนารณามาต้องมีการพักการถอนจิตใจไม่พักไม่ได้ถึงถึงเวลาพักต้องพักจะได้การได้งานเพียงไรจากการปฏิบัติจากการพิจารณาก็ตามนั้นก็มีอ่อนเพลียได้เหมือนกันการทํางานคือความคิดความปรุงทางด้านปัญญาด้านไหนก็ตามงานก็เป็นงานของจิตทั้งนั้นเมื่อคิดเมื่อปรุงเมื่อพิจารณาไปนานๆมันก็ทําให้อ่อนเพลียได้เราต้องพัก เมื่อถึงการที่พักแล้วไม่ต้องยุ่งกับงานอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่เพื่อความสงบของจิตโดยถ่ายเยี่ยมนี่คือว่าทำงานได้ก้าวก่ายกันและไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่เป็นน้ำไหลาบาศนั่นก็มีกำกำลังแรงเมื่อเราตั้งใจจะให้มีความสงบเพื่อเป็นพลังของปัญญาก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำที่จะทําจิดให้สงบให้แน่ลงไปสงบเสียก่อนนั้น พอสงบมีกําลังแล้วถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วอ้าค้นลงไปไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องความสงบมีห น, น้าที่อะไรพิจารณาไปโดยลําดับจนเข้าใจโดยลําดับลําดั บ, บนี่คือว่าเป็นการเดินเนินที่ถูกต้องเหมาะสมสม่มําเสมอเป็นทางเดินดังนี้มิเคยได้เป็นมาแล้วเวลาติดก็ติดที่จนพอติดกับความสงบสะดวกสบายเวลาเพลินในการพิจารณาก็เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไม่พักผ่อนตอนติด บ้างเลยมันไม่ถูกทั้งสองนั่นแหละคือไม่ถูกความพอดีคือความพอดีต้องถึงเวล า, าพักต้องพักถึงเวลาพิจารณาต้องพิจารณาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าทาหน้าที่การงานนั้นๆโดยลำดับลำดับนั้นอันนี้เหมาะสมงานใดในโลกนี้ไม่ได้มีใหญ่โตยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลย หรืองานถอดถอนตนออกจากวัตฏะคือความมุ่นเวียนให้เกิดให้ตายกี่พบกี่ชาตินับให้ได้เลยคิดแล้วน่าสลดสังเ็จในความมุ่นเวือนเกิดตายซึ่งแบกตั้แต่กองทุกไปทั้งนั้นไม่ว่าพบใดชาติใดก็ตามเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกาันเรื่องของทุกต้องมีด้วยกันเพราะมีที่เลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์ชาติโลกต้องมีพระพุทธเจ้าจึงต้องส อ, อนให้สลัดให้หมดจะไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกมาแสงเลย ให้มีแต่เนื้อร่นล้วนจะให้มีกล้าง้วให้มีกระดูกความเป็นภัยต่อท่าของขันน่ประเภทใดก็ทารอบเป่อมาให้หมดให้มีเหลือเลยจึงเรียกว่าเป็นงานใหญ่โตมากทุ่มกำลังลงสุดฝีมือความสามารถมอบชีวิตทีวาลงไปพวกในบางกางเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะ หากิตมันเป็นกำลังของจิตเองหมุนกิ้วขึ้นไปเพราะแดนใงความพ้นทุกข์นันเหมือนกับว่าเอื้อมือถึงอยู่ตลอดเวลาข้างหลังก็ปีดตันเข้ามาปีด ต, ตันเข้ามาถึงโทษถึงภัยเข้ามาแดอกก็มีแต่ทางที่จะให้พ้นโดยถ่ายเดียวอยู่ไหนไม่อยากอยู่ค้างที่ไหนไม่ต้องการจะค้างเสียไว้เรื่องเวลาเพื่อความพ้นทุกข์ต้องให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่าเยือกเท่านั้นจะเป็นที่ถอนใจเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความขี้เกียจคือคลางอ่อนแรงมาจากไหน หนักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วอยู่มันสุขิสยัยหรือรู้แล้วอยูเองไล่ไปไหนก็ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเปียวยิ่งกว่ากร ง, งจักรนั่นเวลาถึงการแล้วก็หยุดเป็นหมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบบขับไล่สายส่งเพรารู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกน่ละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอีกพอแล้วจะ หาความผที่นั้นอีกก็รูปตัวเองทั้งนั้นทีเดียวนี่เรียกว่างานใหญ่ใหญ่ก็เธอผลก็ใหญ่โตไม่มีอะไรเทียบเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากงานใหญ่ๆงานหนักๆเนี่ยผลก็ประเสริฐเลิ่โลกพรมังสุขขังใช่ไหมเรียก ว, ว่าเลิ่โลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเลิ่โลกได้เพราะอันนี้เองอาวกธอ ร, ราหันหันเราที่นับถือท่านพุทธังคำังสร้า ง, งานสร า, างกระฉามนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ ท่านเลิกทำงา น, นด้วยงานอันหนักนี้แล้วครูของเราพาเดินอย่างนั้นเราจะไปหา ย, ยิบหยบอะไราหาเอาตั้งแต่ตามความชอบใจมันไม่ได้ครูเราพาเป็นอย่างนั้นทางเดินเป็นอย่างนั้นทางเดินเพื่อแก้กิเลสต้องลำบากทางเดินเพื่อสังคมกิเลสนั้นง่ายเพราะความชอบใจมันง่ายเพราะความชอบใจความจริงมันยากแล้วกันนั่นแหละมันขึ้นชื่อว่า ง, งานแล้ว แต่สำคัญทีความชอบใจในงานใดงานนั้นก็เห็นว่าเป็นของง่ายของเบาของสบายแต่สีงานแก้เลียดตะกอนเวลาเราบำเพ็ญที่แรกมันไม่ได้หน้าในหลังอะไรก็ทั้งๆที่เรามุ่งเจตนาจะแก้เกลียดแต่มันก็หนักมันขี้เกียจอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันหมดชื่อว่าความไม่เป็นท่าเนี่ยพอเวลามันรู้เหตุรู้ผลเขา้าเข้าใจในอดในธรรมได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับๆแล้วความขี้เกียจมันหายไปแล้วหมดล่ะนั้นก็มีแต่ความขยันมันเพียนหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้หนัก เพราะมันเห็นผลทั้งทั้งที่แก้กิเลสมาด้วยกันโดยลาดับเนี่ยแต่อันหนึ่งยังไม่เห็นผลอันหนึ่งเห็นผลแล้วมีความขยนมันมันเพิ่มขึ้นมาเองเอาหนักก็สู้เราเป็นลูกศรทาโคตเราจะได้ถอยลังไหนเพราะสรทาโคตก็เคยผ่านป่าฏ้ามาขึ้นเดียวกับพวกเราจรึงเห็นภายในเรื่องปาฏิาริความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องแ บ, บกทุกข์ทั้งนั้นพอพระพุทธเจ้่าสอนไปแล้วเราเป็นลูกศรทาโคสก็ต้องเดินตามครูผู้พระลบากกลบาก็ลําบาก ครูเราสลบสลายถึงสองครั้งสาครั้งพวกเรามีใครบ้างสลบสลายด้วยความเีินไม่มีเนี่ยแล้วทําไมกลัวตายแล้วยังมาสลบเลยและกลัวตายได้อย่างมาโอ้ยกว้าถึงขนาดถึงสามหมอนสี่หมอนวางเลยสรบพวกไม่เห็นกลัวตายวะพวกเราทําไมกลัวตายนะอะไรมันตายพินาคนทำไมเห็นความจริงแล้วมันทําให้กลัวตายเพราะมันมีอะไรตายในโลกอันนี้เนี่ยแต่จิตของเรามันสำคัญมันหมามันหลอกตัวเองว่ากลัวตายกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กลัวความตายก็ไม่กลัว เกิดก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มีอะไจะเกิดแน่จะกลัวมันอะไรกลัวฮะไม่มีลมกลัวลมกลัวแรงกลัวปสมันจิตมันท้นไปแล้วจากความเกิดถ้าจะกลัวความเกิดอะไรอีกเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหยิง่งเป็นทายมันหมดชั่วแล้วมันไม่มีอะไรจากตัวไมนมีอะไรจกฆ่ามันเสมอตัวคือสม่ำเสมอโดยลำดับมันแต่ไม่ใช่สม่ำเสมอธรรมดาแบบในโลกเสมอแบบจิตที่เพียงพอเสมอแบบความรู้ประเสริฐของจิต พูดถึงเรื่องภาระหนักอย่างนี้นะแต่เราก็พูดถึงผลอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องรุ่นเลิงเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตผลคึกเลิศสม ก, กันกับความยุ่งยากลาบากลําบนในการปฏิบัติแล้วเราต้องการเรื่อของจีนที่ิขี้เละเราต้องการของดีทั้งนั้นแม้แต่ภายนอกเราก็ยังต้องการของดียิ่งคำละกามยาจะไม่ต้องการของดี เ, เล่นเข้าไป ป่าช้าน่ร้องไห้กับเราเป็นไรมีเรามันร้องไห้กับป่าชา้าป่าช้าร้องร้องไห้ตามเราเป็นไร ห, หมดหวังแล้วที่นี่เอาเอย่างนั้นความเกิดตาไม่ใช่ของดีมุนไปมุนมามีความทุกข์ความลําบากไปทุกภพทุกชาติพิจารณาแก้ไขออกให้มันได้สิ่งที่เป็นอยู่ภายในยใจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเชี่ยนหนามต่อจิตใจ สติปัญญาอย่างลงไปค้นค้าลงไปถอดถอนอาาอกมาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก่อนนี่แหละคือผลของงานว่าเป็นความอุยากแาไหนผลนี้เป็นอย่างไรคุ้มค่ากันไหมอารรู้ทันถืออยู่ไหนก็อยู่ทิ้งท่นมาบุษิตังประมาจาริยังกตังเกรมนอยงังนั่งนะกระจัก สิ้นโดยประการทารั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความลำบากนนเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสสิ้นผลก็สิ้นมีแค่นั้นอันนี้รู้สุดในหน่อยละแค่นี้